สวัสดีครับพี่น้องครับพี่เสียงแก่สีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดทำอุปมาตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนที่สิบเป็นบทสรุปของคําอุปมาของพระเยซูทั้งแปดเรื่องราวนี้พี่น้องครับผมขอทบทวนนะครับวัตถุประสงค์ของการทําอุปมานั้นก็คือพระเยซูทรงตั้งพระทัยที่จะสอนสาวกของพระองค์โดยใช้สื่อการสอนครับ คำอุปมานั้นเปรียบเสมือนกับสื่อการสอนที่ทําให้คนนั้นเห็นความจริงเห็น จ, ะจะัตธรรมของความล้ําลึกฝ่ายจิตวิญญาณโดยใช้เหตุการณ์ต่างๆหรือขอ ง, งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นั้นเป็นสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าคนที่ไม่มีจิตใจที่เชื่อฟังมีจิตใจต่อต้านคนที่มีจิตใจมบับ钵 ก็คือพวกฟาริสีพวกธรรมจาร์พวกนักเคร่งศาสนาทั้งหลายที่มีการถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่ใจิตใจนั้นก็ไร้ซึ่งคุณธรรมเป็นคนหน่าชื่ใจคตดคณเหล่านั้นครับพระกังพีบอกว่าข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์สงศดให้่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้และพิเยซูก็กล่าวต่อไปครับว่า ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขานี่น้องรับนี่คือเหตุที่พระเยซูตรัสกับเขาเป็นคำอุ ป, ปมารครับเพราะว่าถึงเขาเหมือนกับเห็นก็เหมือนไม่เห็นครับเหมือนกับจะได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจครับนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุร ป, ประสงค์ของคาอุปมาอีกแง่มุมหนึ่ง พี่น้องครับวันนี้เราจะมาทบทวนและสรุป8เรื่องราวของอุบมานะครับเรื่องราวแรกก็คือเรื่องของการหว่านเมล็ดพืชเข้าไปในดินไก่4ชนิดพี่น้องคงจําได้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของข้ า, าวสาลีและข้าวละมานเรื่องที่สามก็คือเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ตักกัดเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของเชื้อขนมเรื่องที่ห้า เรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เรื่องที่หกพูดถึงไข่มุกเรื่องที่เจ็ดพูดถึงวันและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเจ้าของเรือนที่มีทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่ทีน้องครับถ้าเราเข้าใจเรื่องอุปมานี้ทั้งหมดเราจะเข้าใจถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของแผ่นดินสวรรค์ เพราะว่าเรื่องใหญ่ใจความที่พระเยซูกาลังสอนอยู่นี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพระเยซูเริ่มด้วยการหวานเมล็ดพืชนะครับโดยผู้หวานที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือพระเยซูเราเองเราก็เป็นผู้ที่เติบโตขึ้นเป็นข้าวที่อยู่ในนาเกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าบ้างหนึ่ร้ยเท่าบ้าง ต่อไปเราก็จะเป็นผู้หวานครับเพราะฉะนั้นผู้หวานที่ยิ่งใหญ่คือพระเยซูแลวเราจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าหรือ แ, แผ่นดินสวรรค์นั้นเมื่อเริ่มแรกนั้นมีขนาดเล็กครับต่อมาถ้าเติบโตขึ้นและเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีกิ่งก้านสาขานั่นคือเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์กาศครับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่นี้ใช้เป็นที่กาบังและให้อาหาร คนมากมายเป็นที่กําบังของนกให้นกมาทำทางได้แผ่นดินสวรรค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเหมือนกับเชื้อกขนมที่ค่อยๆเปลี่ยนแป้งที่ไม่ฟูนั้นให้ฟูขึ้นมาแผ่นดินสวรรค์นั้นมีคุณค่าสูงส่งนะครับสูงส่งสูงสุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และเปรียบเสมือนกับไข่มุกที่มีค่ามาก และผลแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นเหมือนกับการล่าอวนขนาดใหญ่ที่ติดคนทั้งหลายที่อยากจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ปลาเปรียบเทียบกับคนอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เข้าหลุดรอดเข้าไปอยู่ในอวนครับแะในที่สุดจะต้องเกิดการคัดคัดอะไรครับคัดปลานะครับหรือใช้คําว่าปัดร่อนนะครับปัดร่อนก็ได้ นะครับเมื่อเรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปมาณเหล่านี้เราจะต้องเข้าใจเรื่องของการแอปพลิเคชันนะครับเราเกิดความทราบซึ้นไปแล้วครับแอปพลิเคชันเราต้องแอปพลิเคชันได้ครับแอปพลิเคชันก็คือการประยุกต์ใช้การนําเรื่องราวความจริงที่เกี่ยวข้องกับคําอุปมานั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับคำอุป ม, มาหรือคําสอน เพราะสัญักษณของพระเจ้านั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไขสร้างความเข้าใจให้กับเราไขข้อข้องใจของเราทําให้ชีวิตของเราเมื่อได้ศึกษาพระจักษณนั้ น, น, นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความทราบซึ้งแนะนํำไปใช้ทําให้เกิดการเติบโตและพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายแต่ละคนครับคําถามก็คือว่า ทำไมบางคนไม่เติบโตวขวายวิญญาณมีอะไรผิดปกติกับใจดินของเขาหรือครับใจดินก็คือจิตใจและความคิดนะครับของผู้ที่รับพอะวจะนั้นซึ่งแบ่งเป็นสิ่ประเภทที่น้องจำได้ใช่ไหมครับประเภทแรกตกอยู่ที่รินทางเดินประเภทที่สองตกอยู่ในดินนะครับแต่ข้างล่างเป็นหินประเภทที่สามตกอยู่ใน กลางโพงหนามตรงนี้เราจะพบว่าชนิดของดินสามประการแรกนะครับในเรื่องทําอุปมาผู้หวานเมล็ดพืชแต่ดินปร ะ, ประเภทสุดท้ายครับเป็นดินที่ดีเกิดผลสามสิบเก้าหกสิบเท่าร้อยเท่าถ้าเราต้งหลายเป็นผู้หวานเมล็ดพืชเราต้องเรียนรู้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบของเราในการหวานนะั้นเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับเราเองเ ก็ไปครับเราเองต้องคุ้นเคยกับพระวจนะของพระเจ้าก่อนก่อนที่เราจะหวานได้พี่น้องครับพอพูดถึงเรื่องนี้มีหลายหลายคนครับหรือมีจากประสบการณ์ของผมที่ผ่าน ม, มามีหลายหลายคนครับยังไม่ได้เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจเลยหรือบางครั้งยังไม่บังเกิดใหม่ครับแต่ก็มีจิตใจนะครับร้อมแรงในการที่จะพยายาม เ้าขึ้นมาเป็นผู้สอนคนอื่นนะครับมีจิตใจร้อนแรงอยากจะสอนคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดครับเราจะต้องคุ้นเคยกับโภชนะของพระเจ้าก่อนก่อนที่เราจะสามารถอธิบายความก่อนที่เราจะสามารถว่านได้แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องสอดคล้องกับชีวิตของเราจะต้องทําตามที่เราสอนได้ภาษาอังกฤษพูด ง, ง่ายๆก็คือ walk ซึ่งแปลว่าเดินนะครับ walk the talk talk แปลว่าคําพูดมีการพูดของเราเราจะต้องเดินนะครับหรือกระทําหรือประพฤติในสิ่งที่เราสอนได้เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ความแตกต่างของดินแต่ละชนิดนะครับดินแต่ละชนิดเราจําเป็นต้องเข้าใจถึงศัตรูของเราก็คือมารซาตานบินอย่างชั่วทั้งหลายที่กําลังทํางาน ในพื้นที่เดียวกันพร้อมๆกับเราในาการหวานนั้นนั่งคือเรื่องราวของข้าวสาลีและข้าวละมานครับพี่น้องครับถ้าหากว่าเครือจักรของเรามีจานวนคนเล็กน้อยหรือมีสมาชิกที่ไม่ค่อยได้ไปบวชเป็นประจำขออย่าให้เราหมดกาลังใจครับเพราะว่าจากคำอ oh, oh, ุมาเเรื่องมเมล็ดพันปักกาหรือมเมล็ดผัด ก, กานี่เองทำให้เรารู้ว่าเรามีโอกาสมีศิษย์ ที่จะเติบโตเป็นต้นไมใ้ใหญ่ต่อไปได้หากว่าเรามีความพร้อมก็คือเรามีพระพจนะของพระเจ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพจนะของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะกระตุน้นและเร่งรเราเราสร้างแรงจูงใจของเราที่ถูกต้องในการที่จะเข้าใจและนาไปพจนะของพระเจ้านั้นไปใช้ได้ กัรจบตรงนี้เองนะครับคือจะสามารถเติบโตได้ครับเพราะว่าคือจากนั้นนําเราไปถึงการประกาศนําสมาชิกนะครับไปถึงการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเลี้ยงดูสมาชิกอภิบาลดูแลหิญ ญ, ญานของสมาชิกให้เติบโตขึ้นและสามารถที่จะสร้างสมาชิกให้กลายเป็นสาวกที่มีวินัยของพระเยซูไ ด, ด้นนะครับ เมื่อเราเรียนเรื่องแผ่นดินสวรรค์เปียนเสมือนกับเชื้อถนมเรารู้นะครับว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนค่อยเปลี่ยนค่อยไปครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้แน่นอนครับค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปตัวแทนแผ่นดินสวรรค์ก็คือข้อเสียงครับข้อเสียงมีหน้าที่จะเป็นเชื้อเชื้อถนมที่มีอิทธิพลต่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับ เป็น p e a เ e เกอร์ maker, ก็คือผู้สร้างสันติเป็นแปลงสังคมไปในเรื่องราวของความรักของพระเจ้าเป็นแปลงสังคมโดยสงบใช้ความส ม, ม่ำเส ม, มอและมีความมั่นคงเมื่อเราสงบส ม, ม่ำเส ม, มอและมั่นคงเราก็สามารถมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆได้ข้อล้ำลึก ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของเชื่อขนมก็คือเป็นไปอย่างสงบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างมั่นคงอิทธิพลของความสงบเนียบอิทธิพลของความสม่มเสมอมันจะสร้างที่ได้จากได้อย่างมั่นคงครับสร้างชีวิตของคนอย่างมั่นคงมีผลมากกว่าเสียงดัง อีทผลมากกว่าการคัดค้านการต่อต้านที่นำไปถึงความรุแนแรงเพียง่าังครับสุดท้ายครับเรื่องของการแอปพลิเคชันหรือการนำไปใช้ในเรื่องราวของการเจบของทรัพย์ที่มีทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่คำถามก็คือว่าเราจะสามารถแบ่งปันทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติในที่นี้หมายถึงพรจชนะของพระเจา้า การพระคัมีเดิมแล ะ, ะพคัมภีร์ใหม่ที่เรามีอยู่นั้นได้อย่างไรคําตอบก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนรู้พรจะนะของพระเจ้าเรียนรู้ให้มากขึ้นถึงสิ่งนั้นขณะที่ท่านฟังท่านอ่านเราจะสามารถที่จะนําสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ใช้กับความต้องการของคนที่เรารู้จักให้เหมาะสมครับใช้กับความต้องการ ของคนที่เรารู้จักอย่างเหมาะสมครับแบ่งปันพระเจ้าของพระเจ้ากับคนที่เรารักในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆครับนําคนอื่นพี่น้องไปแครไปโบสเพื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อเรียนรู้เพื่น้องครับผมอยากจะสรุปสุดท้ายก็คือว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลังรูปภาพอยู่เสมอและคมเหมือนกับดาบสองคมที่แทงทะลุเข้าไป ถึงจิตใจถึงไขในกระดูกสามารถที่จะวิจัยความคิดของทุกๆคนที่ยอมให้พระนจ้ของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของเขาในที่สุดครับในที่สุดครับพระวจนะของพระเจ้าจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเขาและเป็นพรต่อไปอาเมน